จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบกรกฎาคมพุทธศักราชสอง9นห้าร้อยห้าสเก้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมาละ บ, บา มาชำระใจให้สาดบริสุทธิ์เพราะศรัทธาความเชื่อในความตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้ร่างร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร เป็นสิ่งที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาส่วนพวกเรานี้อยู่ที่ใจเป็นผู้ที่รู้ผู้คิดผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วก็เป็นผู้รับผลของการกระทำของร่างกายถ้าร่างกายทำบุญอย่างวันนี้ ใจก็จะได้ความสุขได้บุญได้กุศลถ้าร่างกายทำบาปใจก็จะได้รับผลของการกระทำบาปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทำบุญให้เราลาบบาปเพราะว่าการทำบุญจะทำให้เรา ได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆส่วนการทำบาปก็จะทำให้เราไปเกิดในอบายชั้นต่างๆมีอยู่สี่ชั้นด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกผู้ที่ทำบากนี้จะไปสี่จุดนี้ ขึ้นอยู่กับเหตุของการกระทำบาปว่าทำด้วยเหตุผลอันใดถ้าทำบาปพาะไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นบาปไม่รู้ว่าทำไปแล้วจะต้องไปรับผลของการกระทำบาปพวกนี้ก็จะเป็นพวกเดรัจฉานตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นสุนัขเป็นแมวเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นเสืออันนี้เป็นพวกที่ทําบาปโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปไม่รู้ว่ามีผลของบาปตามมาเช่นถ้าเป็นมนุษย์ทําบาปเพราะคิดว่าเป็นอาชีพเช่นต้องทําบาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ก็เลยไปมีอาชีพข่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือเป็นประมงไปจับปลาปูมาขายหรือพวกร้านอาหารที่มีปลามีปูมีหอยเป็นๆ เ, เอาไว้บริการลูกค้าเวลาลูกค้าสั่งอาหาร ก็จะฆ่าสัตว์เหล่านั้นคนสั่งก็บาปคนทาก็บาปดังนั้นถ้าไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารที่มีอของเป็นอยู่เช่นปูปล า, อาหอยกุ้งอะไรเหล่านี้ก็อย่าไปสั่งเข า, เาถ้าสั่งก็บอกว่าเอาของที่ตายแล้วก็จะไม่บาป แต่ถ้าไปชี้ว่าเอาตัวนี้เอาตัวนั้นอันนี้บาปถึงแม้ไม่ได้ฆ่าเองแต่สั่งให้คนอื่นฆ่าก็บาปคนฆ่าก็บาปคนสั่งก็บาปที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าบาปไม่รู้ว่าทำไปแล้วจะมีผลตามมาคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ก็เพราะไปคิดว่า เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วก็จบทำบุญทำบาปมาก็ไม่สามารถที่จะไปรับผลบุญผลบาปได้เพราะคิดว่าร่างกายเป็นผู้กระทำแล้วร่างกายก็เป็นผู้รับผลเช่นอย่างมากถ้าทำผิดกฎหมายไปฆ่าคนตายอย่างมากถ้ายังไม่ตายก็ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไป แต่ถ้าตายแล้วก็พ้นโทษไปแต่ความจริงผู้ที่รับโทษที่แท้จริงไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับโทษคือใจผู้สั่งผู้กระทําสั่งให้ร่างกายฆ่าใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไปรับผลบาปผลบาปนี้ก็จะรับทันทีและรับต่อมาในภายภาคหน้ารับทันทีก็คือ ใจจะร้อนเป็นไฟขึ้นมาเวลาทำบาปแล้วใจจะเครียดใจจะทุกข์ใจจะไม่สบายนี่คือผลบาปขั้นที่หนึ่งผลบาปขั้นที่สองคือหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปไม่รู้ว่าจะต้องไปรับผลบาปตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ไปฆ่าอะไรก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นให้เขากลับมาฆ่าเราเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมให้สุขแก่ผู้อื่นความสุขนั้นก็จะกลับมาให้ทุกข์แก่ผู้อื่นความทุกข์นั้นก็จะกลับมาดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในภพหน้าชานหน้าก็ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำมาหากินโดยอาชีพสุจริต อาชีพที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่ต้องฆ่าคนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปรับผลของการกระทาของเราเราจะรู้หรือไม่รู้เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่มีความหมายมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมแสดงไว้ว่าใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่ว แต่พวกเราไม่รู้ใครเป็นผู้ไปรับผลเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทาเพราะผู้กระทาผู้รับผลนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายของพวกเราตัวจริงแท้ของพวกเรานี้ไม่มีหน้าไม่มีตาเราอาศัยร่างกายนี้เป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นเหมือนกับหุน่น ที่เราเอามาครอบตัวเราอีกทีนตัวเราไม่ได้เป็นหุ่นที่เราเอามาครอบอย่างเวลาที่เขาเล่นละครเล่นโขนเขามีหน้าขขนชนิดต่างๆมาครอบหน้าของคนเล่นแล้วเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นตัวแสดงอะไรเป็นฮนุมานเป็นทศกัณฐ์เป็นอะไรต่างๆ อันนี้เขาเรียกว่าหน้าโขนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนหน้าโขนของพวกเราไม่ใช่ตัวจริงตัวแท้ของพวกเราเวลาที่หน้าโขนคือร่างกายของเรานี้ตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจึงต้องไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปเราเป็นมนุษย์ล่องหนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ถ้าจะเห็นต้องเห็นด้วยตาในการจะเห็นตาในก็ต้องปิดตานอกแล้วก็เปิดตาในวิธีที่จะเปิดตาในก็ให้นั่งหลับตาแล้วก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใจสงบใจหยุดคิดได้ใจก็จะแยกออกจากร่างกายร่างกายจะหายไปเหลือแต่ใจคือตัวรู้ผู้รู้อยู่ แล้วเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือตัวเราตัวที่จะไปเกิดตามที่สูงหรือที่ต่ำตามบาปตามบุญที่ได้ทำเอาไว้นี่คือวิธีพิสูจน์ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นแต่พวกเราตอนนี้ยังไม่รู้ไม่เห็นเพราะเรายังไม่ได้เปิดตาในเราเปิดแต่ตานอก เราจะเห็นเพียงแต่ของภายนอกเห็นร่างกายเห็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแต่เราไม่เห็นตัวเราเพราะเราไม่ได้เปิดตาในแต่เราอยากจะเห็นตัวเราเราต้องไปนั่งหลับตาไปทำใจให้สงบพุโทโธพุโทโธไปแล้วพอใจสงบร่างกายจะหายไปเราจะเหลือแต่ใจ ใจก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่แหละผู้ที่รับผลบุญผลบาปเวลาทำบุญใจก็เกิดความสุขขึ้นมาทันทีเวลาทำบาปใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีดังนั้นขอให้เรื่อเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเรายังไม่สามารถเห็นตัวของเราเองได้ขอให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เห็นจริงรู้จริง รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราต้องอย่าไปยึดไปติดกับร่างกายเพราะต่อไปร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไปยึดไปติดเราจะมีความทุกข์มากเพราะเราจะอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราอาจจะไปทำบาปทำอะไรต่างๆเพื่อรักษาป้องกันให้ร่างกายนี้อยู่ไปนาน ซึ่งจะเป็นการสร้างาบาปให้กับใจสร้างการเป็นเปรตสร้างการเป็นผีสร้างการเป็นนรกสร้างการเป็นเดรัจฉานให้กับใจนั้นอย่าไปยึดติดกับร่างกายยอมรับความจริงว่าร่างกายเป็นเหมือนคนใช้เราเท่านั้นเองเมื่อถึงเวลาเขาจะต้องลาออกจากงานก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวเราหาคนใช้ใหม่ถ้าเราไม่ไปทําบาป เราเรากลับมาเกิดใหม่เราจะได้คนใช้ที่ดีกว่าเกา่าถ้าเราทำบุญบุญจะทำให้เราได้ร่างกายที่ดีกว่าเกา่าถ้าเราทำบาปเราก็จะได้ร่างกายที่ไม่ดีเช่นถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ก็จะไปได้ร่างกายของเดรัจฉานแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้ร่างกายที่เร็วกว่าเกา่ารูปร่างหน้าตาสู้ของเก่าไม่ได้ อาการอาจจะไม่ครบ32สองอายุอาจจะสั้นกว่าเก่าโาครคภัยไข้เจ็บมีมากกว่าเก่าเพราะนี่เป็นอนิสงผลบาปที่เราได้ทำกันไว้อย่างชาตินี้พวกเราก็มีความแตกต่างกันมีรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่เท่ากันมีสุขภาพไม่เท่ากันมีอายุไม่เท่ากันมีอะไรต่างๆไม่เท่ากัน ก็เพราะว่าเราในอดีต ท, ทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันนั่นเองจึงทำให้พวกเรามีความแตกต่างกันดังในบทธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสรรให้เป็นอะไรไปต่างกันไปไม่เหมือนกันเพราะได้กระทำกรรมมาไม่เท่ากันบางคนทำบุญมากกระททำบาปก็จะได้ ร่างกายได้ชีวิตที่ดีกว่าคนที่ทาบาปมากกว่าทำบุญนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแต่พวกเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าและเราจะปลอดภัยเราจะไม่ผิดหวังถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ มนุษย์เราแต่งกันขึ้นมาเองไม่มีความเป็นจริงคือบางคนจะเชื่อว่าทำบุญแล้วก็ไม่ได้บุญทำบาปก็ไม่ได้บาปตายไปก็ศูนตายตายไปก็ไม่เกิดใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้เราไปทำบุญทำไมให้เหนื่อยทำบาปไม่ดีกว่าเลยเพราะทำบาปแล้วมักจะได้อะไรตามที่เราต้องการกันทำบุญนี้มีแต่จะเสีย ถ้าคนไม่เชื่อว่าตายไปแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาปเขาก็จะไม่ทำบุญเขาก็จะทำบาปแล้วพอตายไปเขาก็จะต้องไปรับผลบาปเวลาเขาไปเกิดเป็นเดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเป็นเดรัจฉานเวลาเขาเป็นเปรกเป็นผีเป็นนรกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นเหมือนคนตาบอด คนตาบอดย่อมไม่รู้ว่าคนตาดีเห็นอะไรบ้างคนตาดีจะเห็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีดำแต่คนตาบอดนี้จะเห็นแต่สีเดียวก็คือสีดำเขาจึงไม่คิดว่ามีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีอะไรต่างๆอันนี้การไม่คิดนี้ไม่ได้ทำให้เป็นความจริงขึ้นมาเราต้องคิดว่าเราเป็นเหมือนคนตาบอด เรายังไม่เห็นนรกยังไม่เห็นสวรรค์เรายังไม่เห็นผลของบุญของบาปที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ว่าจะส่งให้เราไปเป็นอะไรกันถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะได้ทำบุญไม่ทำบาปกันแล้วเวลาตายไปเราก็จะได้ไปรับผลบุญถ้าทำบาปเราก็ต้องไปรับผลบาปทำบาปพราะไม่รู้ก็ไปเป็นเดรัจฉาน ทำบาปเพราะความโลภอยากได้มากๆอยากได้ง่ายๆยอยากได้เร็วๆก็มักจะไปทำบาปกันทำแล้วก็ไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปเพราะความกลัวกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นผีเป็นเขาเรียกว่าเป็นอสูรกาย แล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเกีย์เวลาใครมาทำให้เราโกรธเราก็อยากจะล้างแค้นไปฆ่าเขาอย่างนี้ไปทำร้ายเขาตายไปก็ต้องไปนรกนี่คือที่ไปของผู้กระทำบาปส่วนที่ไปของผู้ที่ทำบุญก็จะไปเป็นเทพสวรรค์ชั้นเทพไปเป็นเทพชั้นต่างๆ หรือถ้าสูงกว่านั้นก็ไปสวรรค์ชั้นพรหมนะการที่จะไปสวรรค์ชั้นเทพนี้ก็ต้องทำบุญอย่างญาติโยมที่มาทำบุญกันอย่างวันนี้และต้องรักษาศีลคือไม่ทำบาปนะถ้าทำได้สองข้อนี้ตายไปจะได้ไปเป็นเทพนะถ้าทำได้เพียงข้อเดียวคือรักษาศีลแต่ไม่มีเงินที่จะมาทำบุญหรือมีความตรหนี่เสียดายเงิน ไม่อยากจะเอาเงินมาทำบุญเอาเงินไปซื้อของซื้ออะไรตามความอยากถ้าอย่างนี้ตายไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์แต่ก็ไม่ได้ไปอบายก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่าเดิมไม่ดีกว่าเดิมแต่อย่างใดแต่ถ้าได้ทำตั้งบุญและได้รักษาศีลไม่ทำบาปตายไปก็จะได้ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆ จะสูงมากสูงน้อยก็อยู่ที่ทำมากทำน้อยทำมากก็จะเป็นเทวดาที่สูงทำน้อยก็เป็นเทวดาที่ต่ำ <c oughs> อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำทานอย่างที่ญาติโยมมาทำกันในวันนี้ส่วนถ้าพวกที่มาอยู่วันแล้วมาถือศีลแปะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบ พวกนี้ก็จะได้บุญที่สูงกว่าจะได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมชั้นพรหมนี้เป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าสามารถทำบุญขั้นสูงสุดได้ก็คือมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยง ถ้าไปยึดไปติดก็จะทำให้เรานี้จะมีความทุกข์จะทำให้เราตกจากสวรรค์ลงมาความทุกข์นี้จะพาให้เราไปอาบายแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆปล่อยวางเช่นปล่อยวางร่างกายนี้ถ้าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปใจก็จะไม่ทุกข์ ใจก็จะสงบใจก็จะเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระโสดาบานันพระสกิดาคารมีพระอนาคารมีเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ถ้ายังเป็นพรหมเป็นเทพเป็นพระโสดาบานันพระสกิดาคามียังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อ ถ้าเป็นพระโสดาบันก็กลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเป็นพระสกิดาคามีก็เกิดมาเพียงชาติเดียวก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเป็นพรหมเป็นเทพนี้เป็นมนุษย์นี้จะต้องกลับมาเกิดอยู่ด้เรื่อยเพราะยังไม่มีปัญญายังไม่รู้จักปล่อยวางยังยึดติดสิ่งต่างๆอยู่ยังอยากได้สิ่งต่างๆอยู่ พอเสียไปก็ไปหาใหม่พอเสียร่างกายไปก็จะไปหาร่างกายันใหม่มาเกิดใหม่นี่คือเรื่องของบุญของบาปเรื่องของการกระทาที่ทำาให้เรามาเป็นอะไรต่างๆกันถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเป็นอะไรอีกต่อไปเราก็ต้องปฏิบัติธรรมขั้นสูงให้ได้ คือต้องมีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมันก็จะทำให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้เราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรม ที่จะส่งให้พวกเรานี้ไปสวรรค์หรือไปอบายหรือไปนิพพานอยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติครบตามที่พระเจ้าทรงสอนคือทําบุญละบาปแล้วชาระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเราทำได้แต่ทําบุญละบาป เราก็ยังต้องกลับมาเกิดแต่เราจะเวียนว่ายตายเกิดในส่วนที่ดีที่เรียกว่าสุขคติคือตายไปก็ไปเป็นเทเเป็นพรหมพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มาทําบุญมาละบาปใหม่ตายไปก็กลับไปเกิดเป็นเทเเป็นพรหมใหม่ถ้าเราไม่ทําบุญไม่ละบาปตายไปเราก็จะไปเกิดในอบายพอกลับมาจากอบายก็จะมา มาทำบาปไม่ทำบุญใหม่ก็จะกลับไปเป็นจะไปอบายใหม่เพราะว่าเวลาเราทำอะไรแล้วเรามักจะติดนิดสัยทำอย่างนั้นไปจนกว่าเราจะรู้ว่าเป็นนิสัยไม่ดีเราก็เปลี่ยนได้แต่เวลาเปลี่ยนนี้ก็ต้องฝืนต้องบังคับใจเช่นชาต น, นี้เรามาเกิดเรามาได้พบพระพุทธศาสนาที่สอนว่าการทำบาปไม่ดี ถ้าเราเคยทำบาปเราอยากจะเลิกทำบาปเราก็เลิกได้แต่เราต้องบังคับถ้าเราไม่บังคับนี้เราจะทำไม่ได้เช่นเราต้องมาบังคับตัวเองให้เราถือศีลห้ากันถ้าเราถือศีลห้าเราก็จะได้ระมัดระวังเวลาที่เราจะไปทำบาปเราก็จะได้บอกว่าทำไม่ได้เพราะตอนนี้เราถือศีลห้าอยู่ เราต้องถือศีลกันเราถึงจะเลิกทำบาปได้ถ้าเราไม่ถือศีลเราก็จะไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาบังคับให้เราต้องไม่ทำบากนี่คือวิธีเปลี่ยนนิสัยของเรานิสัยที่ไม่ดีเราเปลี่ยนได้แต่เราต้องตั้งใจต้องตั้งเป้าว่าต่อไปนี้จะไม่ดื่มสุรายาเมาจะไม่เล่นการพนันจะไม่เที่ยวกลางคืน จะไม่คบคนไม่ดีเป็นมิตรจะไม่มีความเกลียดแค้เราต้องตั้งเป้าไว้ก่อนพอเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรพอแล้วเวลาเราจะดื่มสุราเราก็จะบอกว่าาเราบอกแล้วแล้วว่าเราจะไม่ดื่มสุราเราก็ต้องไม่ดื่มอย่างนี้ก็เป็นวิธีเปลี่ยนนิสัยไม่ดีให้มันหายไปแล้วถ้าเราไม่มีนิสัยดี เรายังไม่เคยทำบุญเราก็ต้องตั้งเป้าว่าต่อไปนี้เราจะทำบุญเช่นทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เราจะมาวัดมาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบพอเราตั้งเป้าหมายแล้วพอถึงเวลาเราก็จะได้ทำพอเราทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยไปแล้วเราก็จะชอบทำบุญจะไม่ชอบทำบาปแล้วต่อไป ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะได้ไปถึงพระนิพพานได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการเชื่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วต่อไปเราก็จะมีแต่ผลที่ดี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 ด้วยอายุวันสุขภลระโดยทั่วหน้ากันเธอ